พระพุทธเจ้าเรียกผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เนี่ยว่าเป็นผู้ประพฤติพมจรรันทะร์นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรียกว่าไปประกาศพรมจรรันทร์คนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าผู้ประพฤติพมจรรันทร์ หลักธรรมคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าหลักของการประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้ากับสาวกไปออกไปเผยแผ่คำสอนของพระองค์ก็เรียกว่าไปประกาศพรหมจรรย์มันคืออะไรคำว่าพรหมจรรย์พรหมกับจรยิยพรหมเนี่ย ก็หมายถึงท่านเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งประเสริฐสมัยก่อนก็คงจะอาศัยอาศัยไ อ, ไอคุณสมบัติของความเป็นพรหมเนี่ยนะาคนคงเคารพนับถือพระพรหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเสริฐนะความหมายอะจริยะน่หมายถึงหลักในการดำเนินชีวิต เพราะนั้นพรมจรร์ก็คือผู้ดำเนินชีวิตประเสริฐคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วทําให้ชีวิตของตัวเองประเสริฐขึ้นดีงามขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสงบร่มเย็นภายในจิตใจมากขึ้นแล้วความทุกข์หมายถึงว่าความทุกข์ก็น้อยลงไปด้วย ถ้าปฏิบัติเดินตามหลักการแบบนี้ท่านว่าชีวิตประเสริฐทันทีเลยนะเดี๋ยวพรมมัจริยการดำเนินชีวิตประเสริฐการทำให้ชีวิตของเราประเสริฐขึ้นทีนี้เราก็มาตรวจสอบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มประเสริฐขึ้นไหมคือถ้าหาว่ามันประเสริฐก็คือทุกต้องน้อยลงไปต้องเป็นทางดำเนินไป คือที่จะดับทุกข์ภายในจิตใจของเราหรือในขณะที่ปฏิบัติถึงทุกข์ยังไม่หมดไปทุกข์ก็จะต้องค่อยๆลดลงปัญหาค่อยๆลดลงในเบื้องต้นมันก็จะเป็นการดำเนินชีวิตเบื้องต้นตอนต้นๆที่ความเป็นอยู่ของเราอย่างเนี้ยการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ให้มันไม่เป็นไปเพื่อก่อเกิดเป็นปัญหาขึ้นในจิตใจของเราไม่เป็นความเศร้าหมองไม่เป็นโทษเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงพูดเรื่องศีลขึ้นมาต้องรู้จักรักษาศีลศีลในที่ในทีน่นี้อย่างศีลห้าเนี่ยเป็นชื่อเรียกในสมัยนี้ว่าศีลห้า แต่จริงๆแล้วห้าข้อนั้นท่านเรียกว่าสิกขาบทจเจนว่าเวลาเราสมาทานมันจะมีสิกขาประทางสมาธิยามิสมาทานคือรับเอามารับเอามาประพฤติธปฏิบัติเพื่อละเจตนางุดเว้นเจตนาที่จะไปเบียดเบียนไปฆ่าสัตวน์นะมันทำให้จิตใจของเราหยาบโหดเที้ยมอามาหติต ไม่มีความเมตตาปลานีมันเป็นบาปเป็นอกุศลจิตใจก็ยากกระด้างไมอ่อนโยนไม่เป็นไปเพื่อความสมบนึกถึงเวลาคนเขาจะฆ่าสัตว์เนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยมันต้องขาดความเมตตาขาดความเห็นอกเห็นใจสัตว์อื่นแน่แน คือถ้าว่าเข้าใจความรู้สึกของสัตว์อื่นนี่ก็ไม่อยากทำเนี่ยมันจึงต้องมีศีลห้าซึ่งอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วศีลแปดเนี่ยขยับขึ้นมาก็เคยเคยปฏิบัติสมัยเป็นฆราวาสแต่ก่อนก็ปฏิบัติเจริญสติอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ค่อยหนักแน่นแล้วก็บางทีก็ มันมีการตําหนิตัวเองได้เหมือนกับว่าเนี่ยศีลของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยบริสุทธิ์คล้ายๆอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่ารักษาศีลห้าขึ้นมารู้สึกจิตมีกำลังขึ้นมานะทําสมาธิก็ง่ายดีเออจินนะที่ทันวัดศีลเนี่ยมันเป็นบาทฐานของสมาธิแต่ว่าเรามีสติแล้วเราจเจริญสติไป ไปปฏิบัติแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยคำหนึ่งถึงศีลเท่าไหร่ตอนนั้นตอนหลังมาก็มารู้ว่าถ้าเราละเมิดศีลห้าเนี่ยมันไม่สบายอยู่ในใจนะก็เลยมามาเข้มงวดเอาเอาข้าข้อนี้มาประพฤติปฏิบัติทีนี้มันก็มีผลว่าจิตของเรามันดีขึ้นมาสตินะควบคุมจิตได้ดีมาก แนวแน่แนบเน้นเข้าสมาธิได้เหมือนกับทุกเวลาเลยนั่งรถมีไก็เข้าสมาธิเข้าของน้ำทำสมาธิเวลาอยู่ว่างคนเดียวหลบไปนั่งพักทำสมาธิคือเราทำงานเราจะไปเดินจูงกลมนั่งพอนางก็ไม่ได้เราก็ต้องให้เวลากับตัวเองเวลาว่าง ก็หาที่หลบมุมนะเออมันก็เป็นได้นะมันเป็นเองนะมันเป็นความพอใจอบางทีก็เกี่ยวข้องอะไรอะไรมันก็ไม่ไม่ใจว่าเราจะหมดกิเลสนะมันก็เกี่ยวข้องกับกิเลสบ้างอะไรบ้างรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสอะไรก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็มีตรงนี้อยู่ด้วยเขาถูกล้อเรียนนะเขาก็ว่า นี่ธรรมะทำไมเป็นอย่างนี้วะคือเขาคิดว่าถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วจะต้องหมดกิเลสโอ้จริงๆกิเลสยังเต็มหัวใจเลยนะเพียงแต่ว่าสติมันดีขึ้นรักษาใจได้ดีขึ้นแล้วจิตใจก็เป็นสมาธิสินห้าแล้วก็สินแปดพอมาถึงสินแปดนี่รู้สึกเน่นเน่นหนามั่นคงเลยนะก็ยังจดจำได้ เวลาเพื่อนเขามีปัญหาจิตใจอ่อนแอเนี่ยเขาเลิกไม่ได้ในสิ่งที่เขากำลังหมกมุ่นอยู่เขามาหาก็ามาคุยด้วยบอกว่าคุณเนี่ยจิตใจเข้มแข็งละสิ่งเหล่านี้ได้ผมผมก็เลยขอคุยด้วยเพราะผมอยากจะเอาเป็นตัวอย่างเป็นลุงพี่ด้วยนะเราบอกเออการที่เราทำความดีเนี่ย โดยที่ไม่หวังอะไรไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเรามีเป้าหมายเพื่อเพื่อจิตใจของเราเองเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ถึงคนอื่นโดยที่ไม่ต้องไปบอกไปสอนเขานะไม่ได้ไปไปพูดไปคุยอะไรให้เขารับรู้หรอกแต่การแสดงออกเนี่ยมันเป็นก็เลยเห็นอานิสงส์มีหน้าพระพุทธเจ้าสอนให้ให้มีศีลมีศีข้าบท อย่างพระก็มีสํารวมในพระปาติโมกข์มีความระมัดระวังก็มีผลจิตก็เป็นสมาธิได้จิตใจก็สงบแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เคยรู้อะไรเลยนะก็ทำไปโดยที่มันมีสติเนี่ยเรียนรู้ว่ามีสติขันห้าคืออะไรไม่ได้รู้นะไม่ได้ไปท่องไปจำอะไรนะแต่ก็อ่านอยู่บ้าง โดยเฉพาะของท่านพุทธทาสเนี่ยยอมรับมาอา่านแต่อ่านก็ของท่านก็เขียนแล้วก็จะต้องไปสุญญตาเพราะว่าอ่านตาติดตามแต่เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาอย่างเดียวนะเขาเรียกมองด้านในตอนะนะั้นชุดนี้อ่านแลเบิกบานเริ่มระบาดบาทหนึ่งก็กัรหนึ่งนะท่านเทศกัรหนึ่งแม้มันเบิกบานในใจมันเป็นปีติปีติจากการอ่านธรรมะ ต่อมาก็มาอ่านพุทธธรรมของท่านประยุทธ์ไปเจอในห้องสมุดก็อ่านโห อ, อันนี้มันเป็นระบบดีอ่านแล้วเข้าใจสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์ทางดําเนินชีวิตของตัวเองได้นะว่าเราจะเลือกทางไหนเนี่ยจากหนังสือพุทธธรรมนี่แหละตอนนั้นที่จะมีปัญญาญาณอะไรยังไม่มีหรอกแต่ว่ามีสติเห็นจิตใจของตัวเองตามดูจิตของตัวเอง ทันบ้างไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปเคร่งเครียดกับการปฏิบัติเพราะอันนี้มันเป็นผลดีอย่างหนึ่งนะที่เราปฏิบัติในขณะที่เรากําลังทําการทํางานเนี่ยคือเราไม่เร่งรีบเราทําสบายๆแต่ก็แปลกอยู่นะมันก็สงบได้นะนั่งรุถมีไว้เนี่ยพอนั่งลงไปเราเข้าสมาธิแล้ว ผมมันก็เคยฟังนะคอยสังเกตเนี่ยมันถึงหรือยังไม่ถึงพอมันถึงเราก็ลืมตาก็ลงเด็กเขาก็เอาไปเล่ากันนะหัวอาจารย์กันชิดนี่หุยนั่งหลับตาเนี่ยพอลถถึงปั๊บรู้เลยลืมตาขึ้นเลยว่าเขาเรียกว่านั่งนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่ได้ยินอะไรไม่รับรู้อะไรเขาคิดว่าเรามีคงมีมีเอาพิญญามีคุณสมบัติพิเศษจริงๆริงไม่ใช่ จิตอนมันตื่นอยู่ข้างในสติมันควบคุมจิตเนี่ยอยู่ข้างในแล้วมันก็คอยรับรู้คอยสังเกตอยู่เวลารถจอดเราก็รู้มันถึงหรือ ย, ยังไม่ถึงนะเราฟังเราก็รู้เรารู้แล้วก็ลืมตาแล้วก็ลงไอ้คนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มาคาดคาดคขณีเอาว่าเราเนี่ยมีคุณวิเศษอะไรอย่างนั้นขนาดนั่งหลับตาอยู่อะ่ะ ลดไปถึงยังรู้ยอยเหมือนกันนะ ต, ตามันหลับแต่ว่าจิตมันไม่ได้หลับเนี่ยเขาไม่เข้าใจยืนหลับแบบพุทธ ม, มจรั์เนี่ยตัวคือหลักการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตประเสริฐขึ้นถ้าพูดในแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยก็เข้ามาถึงการเจริญสตินี่แหละเจริญสติแล้วก็ต้องมีศีลด้วย ศิลวาวะต้องเป็นผู้มีศีลเพราะศีลเนี่ยมันทำให้สติของเรามารู้ทันจิตใจของเราคือมันเสริมเข้ามาอีกนะถ้าว่าเราปฏิบัติอย่างเดียวแต่การกระทาของเราไม่ได้สำรวมไม่ได้ระวังอยากทำอะไรก็ทำทีนี้พอทำแล้วมันผิดพลาดขึ้นมา มันติดอยู่ในใจนะใจเศร้าหมองคุณคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆแบบซ้าไปซ้ํามาแต่ถ้าหากว่ามันเราไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดบกพร่องของเรามันละง่ายนะฮะไม่เกิดจากคนอื่นนี่เองเนี่ยเออไม่เป็นไรกรรมของเราก็ละได้นะแต่ถ้าเรามันเป็นความผิดของเรามันย้ำอยู่ยงั้นน่ะโอ้เราทำไมเป็นอย่างนี้นะไม่น่าทําเลยเนะี่ย เนี่ยคือทุกคนมาสอนแล้วมันมาสอนถ้าเอาว่าเราไม่สัมรวมไม่ระวังนะมันจะเป็นทุกข์ได้เวลาเดินไปไหนมาไหนก็เป็นการจงกรมนะเพราะเราก็เคยฝึกเดินจงกรมนาอลก็คอือมีสติเนี้ยในท่าทางมันก็ไม่ได้ต้องไปมีท่ามี ท, า, มทางอะไรนะแต่ก็เคยไปสำนักครูบาอาจารย์ย้ห้เดินมีท่ามีทาง ถึงว่ามันนิงมึนนะบางทีอ่ะมันไปขมมากมันไปเอาเล่งมากมีถึงในเห็นว่าโอ้ตัวเองเนี่ยพอไปปฏิมาจริงจังความอยากก็มีด้วยอยากได้ธรรมะอยากได้ขันนั้นขันนี้อยากให้สภาวะธรรมมันก้าวหน้าถ้ามันสงบมันโล่งมันโปร่งมันเบาแล้วก็อยากให้มันเป็นอยู่อย่างเก่าเนี่ยนี่ความเห็นที่มันผิดมันเป็นอย่างนี้นะ มันไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าสติเนี่ยบางวันมันดีก็ไม่ใช่มันจะดีตลอดไปนะสมาธิบางทีมันดีก็มันก็ไม่ได้คงที่มันไม่ได้เที่ยงนะเราบังคับบัญชามันไม่ได้แม้แต่สติสมาธิหรือปัญญาอะไรก็แล้วแต่น่ะที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดอะไรเลยนะปฏิวัติไปเรื่อย แต่แล้วก็ให้วางใจให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือพยายามที่จะไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือว่าเพียนสร้างเหตุเนี่ยอันเดียวกันที่เป้าแล้วก็รู้เป้าหมายาเพื่อให้จิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นแล้วให้มันคลายวางปล่อยวางมีพวกนี้มาเสริมจิตเป้าหมายก็คือมีสติเข้าไปรักษาใจ รู้เท่าทันจิตใจนี่แล้วก็มีมันก็ต้องสำรวมอินทรีย์ด้วยระวังเวลามันกระทบอารมณ์ถ้าเราไม่ระวังพลาดท่านะมันเร็วนะตรงนี้ส่วนใหญ่ใหม่ๆไม่ค่อยทันแวบบไปแล้วทางตาเข้ามาวับปรุงไปแล้วหูบ้างจมูลิ้นกายใจก็เหมือนกันนึกขึ้นมาพับ กระทบจิตปั๊บมโนวิญญาณรับส่งต่อทันทีเลยนะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนีท่านก็ให้สํารวมเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบเพื่อให้นี่แหละเป้าหมายก็คือสติรักษาจิตนานจํากัดความอยากความต้องการบางทีมันเกินความจําเป็นมากๆมันก็ไม่ไหวนะอาหารการกินอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ความพอดี จะไปบำลุงบำเบลจนกระทั่งมันเกินไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนเกินไปน ะ, อะของอร่อยอร่อยมารับประทานกันปรุงแต่งทั้งเน็ดเหนื่อยทั้งสิ้นเปลืองเนี่ยก็อเอาพออยู่ได้นี่แหละร่างกายมันรับได้ก็ให้มันรับไปรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอยู่ได้อยู่แต่เน้นจิตใจนี่ เ น, นความเจริญก้าวหน้าด้านจิตใจส่งเสริมบำรุงบำเลอมันมากไอ้เรื่องรูปเนี่ยธรรมดาเราก็ลุ่มหลงรูปกายเราอยู่แล้วแล้วยังจะไปบำรุงบำเลอปนเปอร์มันมันก็เพิ่มความหลงต้องเอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตท่านว่าให้รู้จักจํากัดความอยากความต้องการคือรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ โดยเฉพาะโภชนีมัตตัญยุต่าปักมาณในการบริโภคอาหารประมาณบริโภคอาหารถ้งยกตัวอย่างหรอกเป็นอาหารที่จริงก็คือนี่แหละปัจจัยสีนั่นแหละที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าหรือจีวรยารักษาลกูกข้าวปลาอาหารทั้งหมด ก็เข้ามาเพื่อให้จิตของเรามีกำลังนั่นแหละเพื่อมันควบคุมจิตได้ถ้าปล่อยมันให้อาหารมันเนี่ยโอ้โหมันดึงยากนะยี่มันเคยชินกับการที่มันจะไหลไปหาสวยหาความสุขทางลูลกรถกลิ่นเสียงสัมผัสเอามาเสพมาเซไว้นี่ผมงทีเอาไม่อยู่เลยนะ แต่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนนี่ก็คือไหลไปตามพวกนี้หมดล่ะสําหรับผู้ประพฤติพรมบรรย์มมนเนี่ยมันไม่ตามโลกนะทีนี้มันต้องตามธรรมแล้วต้องประพฤติพรมบรรจันแล้วต้องให้เป็นไปเพื่อชีวิตประเสริฐขึ้นจะปล่อยให้มันไหลไปกับรูปล้นิีดเสียงธรมบัตไหลไปกับสิ่งที่มันจะมาเข้ามาทําให้กิเลสของเราเนี่ย มีกำลังมากขึ้นไม่ได้ต้องทำให้มันอ่อนกำลังสําหรับคนที่เห็นจีเรียอ่อนกาลังนี่โอ้มันสบายนะคือมันมันอยู่ในจิตแล้วมันไปดูจิตแล้วมันเห็นในจิตเนี่ยยุบยั บ, ย, บยับมาก็รู้สึกอ้มันละลครเครืองแล้วเนี่ยเนี่ยมันต่างกันนะคนไม่อยากมองแล้วไอ้พวกลูกถดขีดเสียงสัมผัสไปไอ้ข้างนอกธรรมดาธรรมดาเนี่ย ถึงเรียกว่าไอ้สิ่งที่จะมามาอาศัยตาหูจหมูกลิ้นกายใจทําให้ตัวเองเกิดความสุขไม่เอาเลยคนที่เขาละร่างกายได้เป็นอย่างนี้นะคนที่ตามดูตามดูจนกรทั่งจิตใจเบื่อหน่ายคลายวางแล้วเขาไอ้เห็นว่าโ อ, อ้ไอ้เนี่ยมันยังหยาบอยู่เลยนะเนี่ยการที่จะไปสแสวงหารูรดกิจเสียงสัมผัสแสวงหาความสุขทางเนื้อทางหนังทางกายเนี่ยมันไม่ไหว สู่ความสงบทางจิตใจไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบจากการปล่อยวางพวกนี้ไม่ได้นี่ถ้าจิตของพลายเจ้าอันนี้ขั้นนุ่นนะาวาระเท่าลูกกายได้สนิทนี่มันตรงขั้นพานาคามีแล้วนี่าตามดูแต่จิตแล้วอย่างเนี้ยก็คือมาเข้าใจนี่แหละว่าโอ้หลู่รถกินเสียงสราบัดเนี่ยมันเหนื่อยมันยาก มันทาให้จิตใจดินน้นรนแสวงหา ท, งทั้งทั้งที่ร่างกายมันก็ต้องแตกดับสลายไปเห็นความดิ้นรนที่จะไปหาอะไรมาเพื่อปนเปื้อร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษมันเลยไม่อย่างเอามัน ก, ก็เลยพยายามที่จะเข้ามาศึกษาให้มันเห็นว่ามันยึดมันติดอะไรวะทําไมมันถึงม ทำไมมันต้องมาหาอันนูนอันนี้มาบำรุงบำเรอมันนะไอ้ร่างกายไอ้ธาตุขันอันนี้มีก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้มันต้องทำสติสมาธิแล้วต้องมาศึกษาภายใ น, นการศึกษาไม่ใช่ไปไปอ่านแล้วนะมันอ่านข้างในนะที่นี่นะมนรู้ข้างในเนี่ยให้มันมารู้มาเห็นวิจิตใจเนี่ยไม่ไม่ผ่านความไม่คิดหรอกเห็นเลยขณะที่เห็นเนี่ยมันอาจจะ จิตมันนู้มันเห็นมันคลายของมันเองนี่มันจึงเป็นอัตโนมัติึงเป็นธรรมชาติจริงๆนะท่านควรสร้างเองนี่ถูกต้องพอเลยนอกนั้นอริยมรตมีองแปดทํางานเองนี่แหะบางทีชื่อหนึ่งของของหลักพมจันทร์ก็คืออริยมรตมีองแปดอันเดียวกันแต่อาริยมรตมีองแปดท่งเรียกพรหมญาณญาณอันประเสริฐผู้ปฏิบัติตามอาริยมรตก็คือประพฤติพมจันย์ ก็คือผู้ดำเนินชีวิตประเสริฐถ้าว่าเราอยากให้ชีวิตของเราประเสริฐขึ้นนี่นะต้องมาประพฤทธพรมอาจารย์ถือมาเจริญอริยมรรค ม, มีลลุแปดก็เริ่มด้วยการเจริญสติถ้าไม่มีสติสอริยมรรค ม, มีลแปดไม่เข้ามาอยู่ในใจเราน ะ, นะแล้วก็มีศีลเพื่อเพื่อให้จิตนี้เข้ามาอยู่กับตัวเราได้ง่าย เพื่อให้ใจเป็นสมาธิได้ตั้งมั่นได้เพื่อให้มีปัญญารู้ความจริงหนะลักความคิดพรมัญญานี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาก็คือเรื่องจิตเราวนั่นแหละก็คือสมถาวิปัสนาเนี่ยก็คือเรียมรคมยองแปดก็คือทางสายกลางทำใจให้เป็นกลางกลางเป็นกลางกลางลทีนี้ถ้าหาว่า ตสติเราอ่อนบางทีจิตมันเร็วพุกไปก็ต้องรู้นะห้ามมันไม่ได้แต่ว่าถ้าว่าเราจะช่วยด้วยการทำของข้อใจได้เรานั่งสมาธิมันคิดไปนู่นไปนี้คิดไปก็มีประโยชน์สู้เราตั้งใจปฏิบัติจ่มันห่วงใครก็ช่วยทั้งอ้อมเอาใช้จิตที่สงบเนี่ยแล้วก็อธิษฐานจิตเอา ให้บุญช่วยเขาหรือเอาบุญให้ใครที่คิดว่าพอจะช่วยเขาได้นีช่วยทั้งอ้อมไปดีกว่ามีประโยชน์กว่าเพราะนั้นเราก็ต้องเข้ามาให้จิตอยู่ข้างในดีกว่าให้มันเล็ดลอดไปพอมันเข้าใจแล้วจิตเราเนี่ยมันจะลดลงนะถ้าว่าเราไม่ไม่เตือนเนี่ยบางทีมันมันเคยชินแนละ้วมันเคยไปมันก็จะไปอยู่เรื่อยเราบอกเลยมาทําความดีกันดีกว่าช่วยเขาทั้งอ้อมดีกว่าไอไปอย่างนี้มันช่วยอะไรไม่ได้นะเนี่ย ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแถมยังจะเป็นโทษคือมันมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรพอจิตมันเข้าใจนี่โอ้โหมันมีเหตุผลเนี่ยจิตมันเชื่อเหตุผลนะมันรับเหตุผลเข้ามาเนี่ยมันคลายวางเลยนะไม่จําเป็นอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็อยู่ตรงนี้ไอจิตเราก็จะไปแต่เขาก็ยังอยู่ของเขาเหมือนเดิมอะคนที่เราเป็นห่วง ถ้าเป็นห้องบ้านบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะคิดจนปวดหัวไอ้บ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิ ม, ค, ดนดน ม, นดมคนที่อยู่ในบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเออถ้าหาว่าจิตเรามันสงบมาสบายเออมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะเอออย่างนี้ดีกว่านะั่นี่มมีปัญญาแล้วนะทีนี้การปฏิบัติมีละทําให้จิตเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงไปทีนี้ถ้าหาว่า จิตมันเป็นสมาธิมันตั้งมั่นทีนี่ถ้าว่าเราปฏิบัติแล้วของเรานี่มันอยู่ขั้นไหนก็เอาขั้นนั้นปฏิบัติเรื่อยไปไม่ใช่ว่าพออ่าพอคนอื่นได้ยินคนอื่นพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องหลุดพ้นเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็จะไปเอาอย่างนั้นก็ย่อมต้องยอมรับวันเราเนี่ยยังไม่ถึงเราถึงขั้นไหนเราทําอะไรอยู่ก็ทําขอให้จิตเราเนี่ย พยายามมีสติไว้รู้แม้แต่ว่ามันไปรุนไปมันอยู่รู้มันอยู่เนี่ยแล้วก็พอใจได้ปฏิบัติอยู่งั้นเรื่อยไปได้ขนาดไหนเอาขนาดนั้นใจสบายขึ้นนี่ถ้าหากว่าสติมันดีมันเกิดคุมจิตได้อยู่นานนี่นี่เรามันเป็นสมาธิแล้วทามันนานแล้วมันก็อยู่อารมณ์ใดอารมณ์นั่นนานวมันตามอารมณ์ไปแล้วก็ไปอยู่ นานๆเป็นอารมณ์เดียวนานๆอย่างนี้แต่เรียกว่าสมถะสมถานี่หลักที่สำคัญของสมถาก็คือเป็นเอกะขตาตารมณมีอารมณ์เป็นหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งนแน่ไม่ว่าสมาธิขั้นไหนมันก็เป็นหนึ่งนานหรือไม่นานเท่านั้นลึกซึ้งขนาดไหนถ้าลาวสติมีกำลังอย่างนี้มันก็ มันพักเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันตามดูทีนี่ที่พูดว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่คือตามดูเวทตามดูกายกายาอนุปัสนาอนุนี่หมายว่าตามดูตามดูกายกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูกายเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูเวทนาจิตานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูจิต ตามดูกายเช่นดูลมหรือ ด, ดูอาการนั่งอาการเคลื่อนไหวภายในร่างกายดูว่าดูส่วนต่างๆของร่างกายหรือเกี่ยวกับว่าร่ า, างกายมันเป็นศกมันเป็นกระดูกก็แล้วแต่เป็นร่งางกายทั้งหมดเนี่ตามดูเวทนาก็สุขทุกทางกายสุขทุกเฉยๆทางจิตใจเนี่ย เวทนาทั้งนั้นถ้าตามดูจิตก็คือตามดูอาการของจิตว่าจิตเราเป็นยังไงมันมีอะไรกังวลไหมมีเรื่องราวต่างๆอยู่ในจิตใจไหมมีความอยากความต้องการอะไรไหมมีความโกรธขุนเคืองไหมมีความเศร้าหมองไหมมีความฟุ้งซ่านไหมมีความซึมเศร้าไหม มีความสงสัยไหมมันเป็นยังไงในจิตใจนี่ตามดูจิตจิตเป็นยังไงท่านไม่ได้ให้ให้เรากลัวนะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ฟุงซ่านอย่างนี้เลยนะครูเจ้าสอนนะจิตมีราคะพอรู้มนมีราคะคือมันเป็นยังไงก็ไม่กลัวเลยอะถือตามดูให้รู้มันทีนี้พอมันตามดูเนี่ยมันก็จะรู้ว่าออมันเป็นเรื่องของจิต อย่างนี้มันเป็นเรื่องของจิตมือใครวางแล้วมันไม่ใช่เราแล้วเป็นเรื่องของจิตค่อยสะสมไปสะสมไปสะสมไปทีนี้ถ้าหาว่าใครเนี่ยเดินตามทางของวูเจ้าหมายถึงว่าจะจะพูดถ้าสมัยนี้เขาเรียกบูรณาการหมายถึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือเจริญสติเหมือนคสตินี่ครอบคลุมทุกกิจกรรมเอาเนอย่างนั้นเลย ถ้าทำได้ทำถ้าทำไม่ได้ก็เอาตามถือไม่ไม่กังวลไม่หวังผลอะไรแต่ว่าเรามีเป้าหมายเด่นชัดว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นการหลักประพฤติพรหมจรรย์ก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละเรามั่นรวังไปหมดละครูสอนสํมรวมอินทรีย์สํมรวมจําจกัดความอยากความโันจํากัดมีความเพียเพรเผากิเลสให้เล่าร้อน ก็ไม่ตามใจกิเลสละเนี่ยเอาความพอดีเขาว่าเอาเหตุเอาผลเขาว่าไม่ตามใจความอยากคุมเข้าไปเลยอันไหนไม่ควรดูไม่ดูพยายามที่จะให้อยู่กับธรรมะจะเอาให้จิตใจเราเนี่ยมันมีสติควบคุมจิตให้ได้ให้จิตอยู่ในอำนาจของสติให้ได้อย่างนี้ก็ไปเลยเพราะมันจะเข้าหาจิตเลยเนี่ย ก็เปการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในจิตนั่นแหละกิเลสมันก็มาในรูปของความคิดเนี่ยในรูปความอยากความอยากมันในรูปของความคิดแต่ถ้ากิเลสมีกําลังมันก็เป็นเราเราก็ช่วยมันไม่ได้เราก็ทําตามมันเพราะมันเป็นเรามันทําเพื่อเรามีตัวมีตนก่อเกิดไมีที่สิ้นสุดเกิดทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้พอสติตามลมก็จิตมันจะรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะรู้มันเห็นเข้าใจละทีนี้พอได้จังหวะมันจะตั้งมั่น ตั้งมั่นในหมายความว่าสตินีควบคุมจิตไม่ให้เล็ดลอดไปไหนเลยมีจังหวะที่มันเป็นได้เลยนะมีกําลังเต็มที่สติสมบูรณ์ในขณะนั้นสมาธิก็สมบูรณ์ประหานความฟุง้งซ่านในเด็ดขาดสติก็ประหานความเผลอความหลงลืมกายลืมใจเด็ดขาดเลยจิตก็เร็วสิที่นี่ความเพียรก็ปะหารใน การที่จิตมันจะละออกไปจากกายจากใจไม่ได้เนี่ยมันคมเข้ามาหมดเลยนะเป็นอันเดียวกันเลยนะมรที่นี่ทีนี้อะไรเกิดขึ้นว่าเห็นดีนจิตเห็นแล้วนะที่นี่ไม่มีการคิดหรอกสภาวะธรรมเกิดก็ดับตอนตามดูนั่งก็คือเห็นอันนั้นเกิดดับความคิดเกิดดับปรากฏการณ์นั้นเกิดดับ พอมาทึกซึ้งแบบนี้เหมือนิิงได้ิ่งหนึ่งไม่มีสมมุติเข้าไว้เลยนะแล้วในความรู้สึกก็คือว่าเมื่ออยากยึดอะไรเลยเป็นขึ้นในจิตออจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ความรู้สึกภายในจิตมันมีกำลังมากพอมันก็สลัดเต็มที่เลยนะเหมือนจิตนี่ไปยังโลกอีกโลกหนึ่งอันนี้ไอ น, นี้พูดเป็นแบบ กว้างเหมือนกับมันไม่เคยไปอ่ะที่ที่หนึ่งคะเสร็จแล้วมันก็หันมามองดูไอ้ไอ้สภาวะเดิมๆที่เคยปฏิบัติมานี่นะเนี่ยเป็นเป็นชั่วขนาดหนึ่งความเป็นเรามันก็ไม่มีนะมันก็เหมือนกับมันมันเป็นยังไงก็บอกไม่ถูกแต่ถ้าคนที่ไปถึงนี่นะแม้มันเหมือนมันอยู่ในที่ที่เป็นอิสระเหมือนประกาศความอิสระช่วขนาดหนึ่งโอ้ตรงนี้เหรอที่เป็นอิสระ ที่มันทุกข์เคยดิ้วคั้นอันนั้นอันนี้มันไม่เกี่ยวกับจิตเลยนะมันไม่สามารถเข้ามาถึงจิตเราได้เลยอะถ้ามันจะทุกข์อยู่ก็ตามมันก็อยู่ของมันเลยรูปเอนนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ของมันอย่างนั้นเลยนะแต่ตัวนี้มีตัวหนึ่งซึ่งมันมันออกไปรู้มันไปเหมือนกับมันอยู่อีกแดนหนึ่งอ่ะเรามองเห็นชัดเจนยังจําได้ไปเยี่ยมพระธีจันธบุรี ท่านไม่เคยห น, หนุังสือพรางค์เนี้ยท่านก็อยากพูดอยากคุยแต่่าพนพูดไม่ถูกมีเหตุการณ์อันหนึ่งเกิดขึ้นก็คุยไปคุยมาแล้วท่านก็เลยจับแก้วมาท่านวาท่านเอาแก้วมาสักสี่ใบามาวางลงวางลงวางลงเนะี่ยแต่ก่อนแก้วมันเป็นอย่างนี้ท่านวะต่อมาเหมือนแก้วนะมันเข้ามาเป็นอันเดียวกันเนะท่านะแล้วมันก็เหมือนกับแก้วก็อยู่ส่วนแก้วเออท่านก็พูดไปนะเราบอก ก็เลยบอกว่าอันนี้คือธรรมะแต่เราไม่บอกว่าท่านขั้นไหนอะไรนะเพราะเราไม่อยากให้ ท, ท่านติดในท่านน้าตาท่านนั่นเลยคอเลยนะปิติมากเลยท่านก็ไม่รู้นี่เป็นอะไรแต่พอเราเราบอกว่านี่จิตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับดีใจมากเป็นคนแก่เนา ะ, อะบอกให้ท่านปฏิบัติต่อไปนะครับ ผมจงเกิดต่อไปให้ตัวตนมันน้อยลงไปใครว่าอะไรไม่ต้องไปสนใจเอาตรงนี้นะครับเขาว่าผมซื้อบือ้อเงนินนะเป็นเพียงางงงงแต่มันเป็นปฏิวัติจริงเนอะไม่สนใจอะไรเพราะคนงูปฏิบัติแบบโงโงงแต่รู้อยู่ข้างในทีนี้สภาวะธทํ า, ามันปรากฏขึ้นก็ต้องอาศัยคนที่รู้เข้าใจอธิบายให้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมา ในทางของตัวเองเนี่ยที่มันเห็นความเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็นี่แหละคือละความเห็นผิดที่เคยทวารว่าละสักกายะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นกายะนี่ก็คือกายหรือว่าขนาันห้าเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหละเขาเรียกกายะสกกายะคือกายของเราละความเห็นผิดว่ากาย ใจเนี่ยเป็นเราเป็นของเรานี่ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราหรือละอุปทานที่หลงยึดว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าละสักกายติทิได้ไอตัวนี้เนี่ยที่มันทําให้เราวินว่ายตายเกิดอเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ร้อยลัดสัตว์โลกเอาไว้ในวัตตาสงสารนะเพราะมันหลงหลงเป็นตัวเป็นตนอย่างหนาแน่นสามารถทํากรรมต่างๆได้มากมาย ตกแล้วลมกไหมก็ไม่กลัวเพราะมันทําเพื่อตัว ต, วตนทําเพื่อตัวเองในเมื่อตัวเองมันหนาแน่นมันก็กล้าหาญอย่าทำกรรมที่มันอยากมากมากได้เห็นผลลัพธ์ตัวนี้ได้จิตก็ละเอียดเข้าไปนยังมาทำกรรมหยาบหยาบจนกระทั่งตัวเองตกระบายภูไม่ทำแล้วที่เคยทํามาก็ประหารไปด้วยกันเลยเนี่ ละสกยาที่ถีได้ไอสิ่งที่จะมาผูกมัดเราเอาไว้ในโลกเนี่ยมันคายออกไปแล้วจิตก็มีความลึกซึ้งในคุณพระพุทธธรรมส่งเต็มที่เลยมันก็เชื่อมั่นเลยเนะยในในคำสอนของเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคือสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติตามนี่แหละว่ามีคุณค่าต่อจิตใจ เชื่อมั่นว่าพระอริยสงฆ์เจ้าต้องมีจริงแล้วก็มองเห็นทางว่าถ้าปฏิบัติไปเนี่ยต้องหลุดพ้นได้แน่ๆมันข้ามพ้นความสงสัยไปเลยนะนี่มันรูปคําอย่างเก่าๆพิธีดีตองวิธีกรรมอนุ น, นันนี้ลดลงไปเลยเสียเวลานี่มันอยู่ที่นี่เท่านั้นเนี่ยนี่กันถึงไม่อยากเอานะไอ้ไหนพิธีดีตองหรือเป็นวัตถุอะไรซึ่งประโยชน์มันมัน มันไม่ค่อยมีคุณค่าต่อจิตใจอะ่ะมันมีคุณค่าน้อยมันก็เลยหันเข้ามาตรงนี้ท่านถึงโยวล่ละศีลปฏิตปรามาได้ก็คือไม่ลูกคำในข้อวัดปฏิบัติในศีลในพุทธไม่เป็นหลงยึดติดในพิธีกรรมต่างๆพิธีดีตองที่ไม่มีประโยชน์โดยทําให้เบี่ยงเบนหันไปสนใจไอ้เรื่องพิธีกรรมเหล่านั้นโหเยอะมากเลยนะพิธีกรรมไม่น่าเชื่อนะ เป็นได้โอ้โหไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มากมายเหมือนกับสิ่งเหล่านี้โอโ้ยิ่งใหญ่ขังศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างนั้นเลยนะก็ยิ่งดึงออกไปห่างไกลไปจากจิตของตัวเองสิเพิ่มความลุ่มหลงกับวิ่นอกจากหลงกันหน้านี้บินหลงพิธีกรรมพิธีดีตองอ น, น, นุนอันนี้เข้ามาลุงลังอยู่ภายในจิตเนี่ยนี่ถือว่านี่แหละท่าเรียวพระโสดาบาันหรือเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม ทีนี้ในใจเนี่ยพร ม, มันเห็นความสุขมันก็พอพอไอไอสภาวธรรมคายไปแล้วก็รู้สึกว่ามันกลับคืนม า, าก็า อ, ale, e. อยากปฏิบัติต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นภายในจิตของของของพโศดาันมันจะมีอยากความรู้สึกอยากปฏิบัติจะอยู่ในสภาพไหนก็จะพยายามอยู่ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่แล้วโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เฮ่ He. จะรู้ทางของตัวเองขึ้นมา เห็นท่านเข้าสู่กระแสเห็นปฏิบัติต่อไปเข้าสึงอริยมรรคครั้งที่สองอีกคราวนี้ถ้าเรียกว่าพระสิกิตาคามีคือผู้ที่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเพียงชาติเดียวความหมายหมายว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยอีกชาติเดียวคำวาโลกเนี่ยโล ก, กธาตุเนี่ยมันหมายถึงเมื่อการมมาโลกลูปะโลกอะลูปโลกไม่ได้หมายถึงเฉพาะโลกมนุษย์เรานะ เกิดในโลกการมาโลกก็คือมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นสีิชาติเดียวแต่ว่าละสังโยชน์ได้เท่าเดิมคือสกยาทิฏฐิสีระพตปรามาดแล้วก็วิจิกิชาเท่าพระโสดาบานันแต่กิเลสเบาบางเห็นจิตจิตมันละเอียดมากขึ้นการที่จะไปเอาหาสวยหาหาแสวงหาความสุขจากข้างนอก ก็ลดลงไปเพราะมีความสุขอยู่ภายในละเอียดอนีเศรษฐกิ ท, ทาคารีก็จะตามดูเรื่องกายเรื่องใจเรื่อยไปมันก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้เนี่ยเราเป็นาธาตุของร่างกายนั้นเนี่ยนนเนี่ยตามันอยากเห็นอะไรก็ได้พามันไปลิ้มมันอยากอะไรก็ไปหามาให้มันเนี่ยต้องอาบน้ำอาบทาต้องหาอะไรสวยๆงามๆ ม, มาปนเปลอบำรุงมือเลย โอ้เริ่เบื่อหน่ายฮะพอจิตมันเริ่มะ ล, ละเอียดเข้าไปแล้วมันเห็นว่าพวกเนี้มันเป็นมันทําให้ลําบากลําบากก็เพราะความหลงรังกายนี้เองเอนี่ยก็มองออกนะคนนี้กําลังหลงอยู่ทําไมเขาต้องวิ่งไปหาอันนั้นอันนี้มาเสพมาสวยวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ทํานั้นทํา น, นี่การกินการอยูอ่วนเวียนอยู่กับพวกเหล่านี้เห็นเห็นเพราะเขายังหลงติด ยึดรูปร่างกายเนี่ยมากจิตมันจะคายค่อยค่อยายออกคายออกคายออกมันก็เห็นเนี่ยพวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เนี่ยก็ตามดูเหมือนเดิมมันแหละแต่พวกอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่มันอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยที่มัน ทำให้จิตของเราเนี่ยไปพัวพันสร้างเรื่องสร้างเราวสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยยุบยิบยุ่งยิ้มมันเบื่อน่ายไปหมดคายออกคายออกมือนมันก็เหตุต้นเหตุคือมีเองมันหลงร่างกายนี่เองเนี่ยในขณะนั้นก็ดูไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่ว่ามันมาเจาะเข้ามาที่นี่มัตามดูร่างกายเนี่ยมันเป็นของเราเหรอเนี่ย ทำไมไมือหลง่าเป็นเราอะไรนักหนาเนี่ยพอมีเหตุอะไรขึ้นมาปับ๊บเอ๊ะเป็นท้ออะไรอ้าวก็มาจากทางตาเองอนี่มาจากทางหูนี่เขามาทางจมูกทางลิ้นทางกายอ๋อก็แค่นี้เองเหรอเนี่ยหรือเรื่องอาหารเนี่ยก็เคยๆต่อสู้มา่คยต่อสู้เคย เคยลองนับคำควบคุมอาหารเพราะเพราะมันก็เริ่มเจอเข้ามาที่นี่แล้วมันก็ตั้งใจว่าจะผ่อนอาหารกังคืนพี่นาเไว้แล้วนีนเราทานไอฉันเพื่ออะไรนะร่างกายไอเพื่อร่างกายนี่นะอ๋อตอนตอนนั้นมันอตอนนี้มันละกายแล้วทิ่เข้ามาหาจิตแล้วมันอา จ, จะสับสนกันนิดหน่อย ก็คืออย่างนี้แหละมันก็จะวนเวียนมาตามดูว่าเออมันห่วงใยร่างกายมันเอาอกเอาใจมันมากบำรุงบำเรอปนเปิลมันสร้างภาระให้กับตัวเองไม่แต่เวทนาก็เป็นเวทนาทางกายมีอิทธิพลต่อจิตใจการมลคะก็คือลูกรดกิ่เสี้ยงสะผัดมาทุกด้านนิดนึงเหมือนก็แรงนะ พอจิตเราละเอียดแล้วมันไปเห็นชัดเจนนี่มันรุนแรงขึ้นมาในจิตมันเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ก่อนไม่เห็นนะพอจิตเริ่มละเอียดไปเห็นกิเลสที่ละเอียดซ่อนอยู่ในใจโดยเฉพาะที่เมันเกิดจากร่างกายเนี่ยคือจะเอาร่างกายไปแสวงหาความสุขทางจิตใจผู้นีไ้ไงอยากอะไรก็ไปเอาให้ร่างกายมาเอาเอ า, เอามากระทบดินใช่ไอเนกอร่อยถูกอกถูกใจเนี่ยแล้วก็มีความสุข เนี่ยคือมันมือมันอาศัยดูรถกินเสียงสลำบากอาศัยความสุขทางกายเพื่อให้เกิดความสุขทางใจนี่ตามดูไปตามดูไปเนี่ยมันก็มีปรากฏการเกิดขึ้นเหมือนกันนี่ก็คือความเกิดดับนี่แหละเห็นกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างทำบ้างสุดท้ายเกิดดำในจิตเหมือนเดิมมองไปทางไหนมีแต่ความเกิดดับ โดยเฉาตัวจิตมีเกิดดับทุดเร็วมากคือเกิดดับในจิตเนี่ยมันมันเป็นอย่างนั้นคล้ายๆคล้ายๆอย่างนั้นเลยจิตก็อยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายแต่ความเกิดดับก็อยู่ส่วนความเกิดดับเหมือนกับปัึ่งว่าจิตมียตอะไรไม่ได้เลยมองไปทางไหนไม่มีเราขนาดนั้นเลยนะไม่ว่ามองกายมองเวทนาจิตไม่มีเราสุดท้ายก็สลนหลักเนี่ย วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปจิตก็ละเอียดเข้าไปแต่มองดูล่างกายโอ้ก้อนทุกมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นเนี่ยทํามันประเกิดขึ้นนะความรู้สึกในจิตเนี่ยมันจะเป็นขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นของเราเนในขณะ ท, ที่ยานมันกล้าจิตก็เป็นอย่างนั้นเองแต่พคลายออกคลายออกจิตยิบแยบยิบแย บ, ยบอ่เอาละทีเดีย เห็นอะไรก็เข้าไปหาจิตแล้วนะที่นี่จิตกับพิจารณาคุณตามดูแจิตหมายว่าจิตตัวหลงมันอยู่ในจิตเนี่ยมันว่าอันี้จริจริงๆมันไม่มีอะไรแต่มันไปลุ่มหลงไอ้จิตแล้วมันหลงนะมันมันมันจริงมันจริงเข้ามาหาจิตนะแต่ก่อนมันมันมันมันว่าร่างกายเป็นพอไปหลงร่างกายทําเพื่อร่างกายไม่เหน็ดเหนื่อยว่าร่างกาย ถิ่มพอมันปล่อยตรงนั้นได้พับเอาตัวหลวงอยู่ในจิตที่นี่มันก็ตามตามดูจิตสิเนี่ยเฮียพระนาคามียิงละละกรมมรรคาได้คือสิ่งที่มันอาศัยอาศัยร่างกายให้เกิดความสุขแก่จิตใจหรือดูแลกีดเสียงสัมปัตต์ขรรคามรรคาทาไม่ได้อย่างที่ต้องการมันเป็นปฏิฆาขึ้นมา มันก็เลยละปฏิฆาไปด้วยกันทีนี้ความหลงอยู่ในจิตแต่ทีนี้หลงอะไรอ่ะทีนี้แตาวันหูงเป็นราคาเค้านี้อาศัยร่างกายเพื่อให้เกิดความสงบนี่ยเพื่อเป็นสมาธิคือมันเบื่อหน่ายอ่ะมันจะมาทําเพื่อร่างกายไปดูน ด, ดูนี้ก็มันไม่อยากทาไม่อยากเอาเพราะมันมันมันไม่สนใจร่างกายแล้ว ทำเรื่องกายไม่เอาแล้วแต่มันยังพอใจว่าเออถ้ามาดูร่างกายแล้วจิตสงบลงไปไม่ใช่ว่าเราพอใจนะไม่ใช่ว่าเราไปยินดีนะหมายถึงจิตมันมันเข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เหมือนกับคนที่เป็นเป็นสมาธิอ่ะเป็นสมาธิใหม่ๆ ม, มันก็ต้องลงไปอยู่กับอารมณ์ตามอารมณ์ลงไปแล้วมันไปจ้อง แต่อันนี้มันคนละส่วนเพราะว่าอันนี้มันละไอ้ร่างกายรูปรดกินสียงสมัธิได้ละปฏิฆาอะไรได้ละสังโยชน์ได้ห้าอย่างเนี่ยขิตมันละเอียดเข้าไปแล้วมันแต่มันยังพอใจไอ้ความสุขเรื่องเขาจริงเนียว่าลูไปลาคาถ้าจะไปพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้เดี๋ยวมันก็เหนื่อยเบื่อจิตมันก็ต้องการพักละมันก็เข้าไปหาดูลมดู หาเข้าไปสงบภายในจิตพักอยู่ในจิตจดจ่ออยู่ข้างในถ้าจงรงรารูปราคาอาศัยรูปเพื่อเกิดความสุขเกิจิตใจชนิดละเอียดแล้ก็คือสมาธิขั้นรูปชาติอาลูปราคาคราวนี้ไอ้อาศัยรู ป, ลาารปแล้วเกิดความสงบ มันก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังหยาบอยู่เอาลองดูอากาศทำใจว่างๆเวงว่า ง, เ, างเหมือนอากาศไม่มีประมาณอย่างเงี้ยโอ้มันจะสบายกว่ากาันดินนี่ก็ไปอยู่ในนี้นี่หรือว่า ก, ก็คือมันมีตัวรู้จ่อไปที่ตัวรู้ตัวรู้ก็ไม่มีประมาณตัวดูอากาศอากาศสานัญจายตนะ วิญญาณัญญาชนนะเอาดูวิญญาณแล้วก็ยังมันก็ยังมีตัวตนอยู่อ่เอาจิตก็ไม่มีที่นี่ทำความสุขไม่มีละเอียดเข้าไปอีกเนี่ยพอบอกไม่มีเอ่อเอ๊ะมันก็เหมือนมีอยู่นิดนะตัวรู้ก็ยังมีอยู่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ใชเนี่ยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปไม่มีไม่ต้องอาศัยรู้แต่อาศัยจิตอย่างเดียว เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเขาเรียกอลลูอลูอลูปหลักครับเข้าไปพักอยู่ในนี้แต่ถ้าเราฝึกไปฝึกไว้มันต้องตามดูคืทันนะทันยอนี้โหระวังเต็มที่เลยแม่ไม่เข้าไปนี่มันพยายามละแล้วโหจิตต้องไปถึงเนะมันถึงละกันได้เหมือนกับเหมือนกับไอ้ตอนต้นที่เราเราหลงยึดไอ้สักยะทิเทียหลงว่ากายกับใจเป็นเรา มันต้องปฏิบัติแล้วเข้าไปถึงแล้วมันละของมันได้มันไม่ใช่ว่าเออเข้าไปสงบแล้วก็แม่ไม่อยากติดไม่อยากสงบคนละอย่างนะต้องปฏิบัติเป็นเรื่อยจนมันเข้าไปถึงกันแล้วมันละกันได้เพราะนั้นหน้าที่ของเราจริงว่าต้องปฏิบัติต้องสร้างให้ผลบางทีไปพูดกลวติดสมถะกลวติดอันนั้นกลวติดอันนี้ อย่าไปกล้วก่สร้างเหตุที่มันถูกต้องไปถึงเวลามันก็ละของมันได้แต่ต้องให้ตรงหลักของพุทธเจ้านะถ้าไม่ตรงแล้วก็ใช่บางทีมันเป็นหลงจริงๆนะอยู่ในสมาธิพอใจสมาธิไม่รู้จักให้มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักทำจิตให้ตื่นมีกำลังให้จิตตั้งมัน่นนี่มันมันจึงเรียกว่าหลง นี่ละอุปราคะอุปราคาทีที้ท่ยังมีมานะเนี่อุปราคามีผ่านไปแล้วก็ต้องมาดูไอตัวที่อยู่ภายในจิตเนะี่ยคือไปเปรียบเทียบะเปรียบเทียบเออเราสูงกว่าเขาก็หมายว่าเราเข้ามาดูอย่างเช่นว่าได้ยินข่าวว่าเออคนนั้นเป็นโบราณเนเรายังไม่หมดกิเลสเนี่ยใจก็ไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่นะดินหล่นขึ้นในจิตละ ในมานะแบบนี้เป็นมานะที่ที่มีการเปรียบเทียบโดยเอาสภาวะในตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถ้าทางโลกมันก็เอาอนันนู้นอันนี้ไปเปรียบเทียบสิเห็นเขามีเงินมากกเขาเขาคงมีความสุขจิตใจเขาคงสบายกว่าเราอย่างนี้นปรุงไปเรื่อยเลยมั่วไปเลยแต่นี้ทันโอ เงิเรายังไม่ได้ใจบาดินลนพยายามมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ใจมันยังยอมรับไม่ได้วางใจยังไม่ลงก็เลยเป็นมานะเราสูงกว่าเขาเราต่ํากว่าเขาเสมอเขาคือมันเปรียบเทียบแล้วมันมีความระคายเคืองอยู่ในจิตมันยังไม่อยากให้เขาเสมอ ครับเราอะไรอย่างนี้มีเป็นสภาวะที่มันละเอียดอยู่ในจิตอุทจัดไอจิตนี่มันมันก็พินาศธรรมเพราะว่ามันยังไม่หมดงานในจิตอะจิตมันกต้องออกไปทํางาน่ะมันก็ต้องพินาศอย่างนั้นพินาศอย่างนี้เนี่ยคือจิตมันมันมันยังมีอาการที่ออกไปพิจารณา นี่ความฟุ้งส่านของพระอนาคามีอมันไม่ใช่ฟุงส่านเหมือนคนทั่วไปนะคนทั่วไปฟุงงซ่านลำคาญคืจิตดูไหลไปต้องนูดดังนี้เดี๋ยวก็สะดุดเดี๋ยวก็ทุกทรมานขึ้นมารุ่มร้อนขึ้นมาอันนี้ท่านไม่เยือกเย็นสงบอยู่ภายในแต่จิตยังทำงานบางทีก็เพิ่ ม, ม น, นินึงนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอืบางทีกว่าเราจะรู้ตัวก็นานหน่อย พอรู้ตัวเมื่ อ, อไหร่มัน قول, โอ้โหอย่างเนี้ยเราปรุงไปตั้งนานเลยเนี้ยเนี่ยบางทีมันพี่นาทำแต่ว่าบางทีมันเพลินไปเหมือนกับเผลอเลอะอยู่ข้างในอะ่ะแต่สงบเนาะสงบไม่มีไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบลาคาญแบบหยาบหยาเป็นแบบสงบพอรู้ตัวก็รู้แล้ะอ๋อมอกี้ไปแล้ว บางทีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนี่ไปแล้วนี่มันก็รู้โดยขึ้นนะที่นี่นี่มันจะละลาย ไ, ไอ้ความฟาุ้งซ่านอะไเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นก็ออะไรอ ย, งงอย่างนั้นอย่างนี้เนียวเหนียคือมันยังออกไปมันไม่เด็ขาดถ้าเด็ขาดปุ๊บตึงต้งขึ้นมารู้ด้วยจิตเลยจิตก็ยังเฉยอยู่งั้นมันคงอยู่งั้นสิ่งที่เกิดก็เกิดไป มันไม่เพลินออกไปถ้าจะรู้ก็รู้ขึ้นภายในอันนี้เสียงคนแต่จิตไม่ได้ออกไปนะไม่ได้เพลินไปไหนเลยเนี่ยมันรู้รู้ในจิตแบบนี้มันมันไม่ได้ออกไปไม่ได้เพลินไปไหนอ่าเนี่ยเนี่ยคือมันรู้ไม่ถึงตรงนี้ไอ้จิตมันก็เลยต้องเพลินไปแต่ก็ต้องตามกันฉันทันถ้าว่าทันกันสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็คืออวิชชาหมดจดเลยไม่มีเรา เหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันไม่มีเลยนะเวลาเวลามันมันมันมันความรู้สึกมันเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันแล้วแต่จะเห็นนะบางคนก็เห็นโอ้โหมันมีอะควรยึดมันถึงมันเลยพอมันมันละได้หมดแล้วเนี่ยมันจึงรู้ว่าจิตนีขาดออกไปจากอารมณ์ทั้งปวงนะจะคิดก็คิดได้แต่มันไม่ยึดความคิดอีกต่อไปนะมันไม่ยึดจิตนะในจิตจึงเป็นอิสระจริงๆนะมันก็เลยแตกต่างกับ แตกต่างกับที่ผ่านๆมาหมดเลยี่ท่านนึกว่าสังโยชน์มีทั้งหมดสิบอย่างถัพพระโสดาบันบุคลละได้สามอย่างคือสกฤตที่สิวิจิกิชาสีละพตปรามาพระสีทาคามีบุคคลก็ละได้สามอย่างเท่าพระโสดาบันแต่โลภะโทสาโมหะเบาบางทัพพระนาคามีก็ละเพิ่มได้อีกสองอย่างก็คือก ร, รมและครับ แล้วก็ปฏิฆะมันละที่จะไปเอาอะไรมาบำรุงบำรเรอร่างกายกรูรสกินเสียงกันบาดมาบำรุงบำรเลอกายไม่เอาแล้วเพื่อให้ใจมีความสุขไม่เอามันหยาบสุขทางจิตใจยังพอใจสุขทางจิตใจเข้าหาความสงบโดยอาศัยรูปเรียกปปลูกเป็ราคาเข้าหาความสงบโดยอาศัยอาลูเรียกอลาานะูป็ราคะเปรียบเทียบยังให้ตัวเองสูง ว่าเขาอย่าให้ตัวเองเสมอเขาหรว่าเห็นว่าตัวเองด้อยกว่าเขาไม่อยากด้อยกว่ามันก็ยังก่อเกิดเป็ัญหาได้มีรายละเอียดเข้าไปหาจิตหมดเลยนะนี่ยอยู่ในจิตหมดแล้วที่ี็ตามดูกันประเภทนี้แหละค่อยละไปละไปละไปที่นี่เบาวางลงไปอันไหนละได้เบา ขาดออกไปจากจิตขาดไปจิตจะว่างนี่เว่างความว่างมันจะมากขึ้นเพราะอารมณ์ต่างๆมันทันมันไม่เอาแล้วเบาไปเบาไว้เบาไว้างที่ว่างเลยนาะว่างวัดจอเข้าไปไอ้ที่ว่างๆนั้นจริงๆมันก็เป็นมันไม่ใช่จิตตอนแรกก็เป็นหลงว่าความว่างเป็นจิตมันไม่ใช่ว่างว่ารั่วว่าง สุดท้ายจาะเข้าไปเจาเข้าไปมันเหมือนกับว่ามันมันมีสิ่งถูกรู้ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้นะตอนแรกอยู่งานนี่เหมือนมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปอ่ะสภาพว่ามันก็เป็นได้น่ะมันทีเหมือนเป็นเันเดียวกันบางทีเหมือนกับว่ามันหมดตัวหมดตนไปเลยก็มีนะแต่ยังไม่ใช่ก็มีสภาวะธรรมมันมันมันปรากฏมันยังไม่ถึงเวลามัน มันยังไม่ลงตัวแต่ก็ได้เห็นนะโอ้โหถ้ามันเป็นจริงได้เนี่ยมันคงเบิกบานเนี่ยมันก็ทําให้เพียนไม่ถอยนะนี่ถ้าหาว่าเออหมดนี่ละละได้สัมโยดได้สิบหรืออวิชาดับก็คือเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราพูดย่ยอยเลยนะขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปจิตเองก็ สักแต่ว่าเลยนะเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดก็คือตัวเรานั่นเองที่ขอปัญหาสร้างปัญหาเมื่อไม่มีเราแล้วทุกอย่างก็คือกระบวนการของธรรมชาติไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้รู้อยู่ในจิตเลยที่นาชาติเห็นะชาสิ้นแล้วนะก็คือไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตเห็นอยู่ตลอด ทั้ที่ว่ายาณโบราณเห็นเห็นตลอดเลยดูเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เหมือนไม่ใช่จิตเหมือนไม่ใช่เราพรมัมมัจรยรยสัพพลัมมัจร ร, จรียธโมจันอยู่จบแล้วในการดำเนินชีวิตประเสริฐก็หมดแค่นี้ะตังกรมียังงานหมดแล้วนาปะลังอาธิตายาติ คิดอื่นที่จะต้องทำเพื่อให้ดับทุกข์เพื่อคนทุกข์ไม่ต้องไม่มีไม่จำเป็นไม่มีงานอยู่ในจิตคิดธรรมาดาบางทีมีอะไรหนเทบคิดจบแล้วก็หยุดไม่ปรุงต่อไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องเสร็จแล้วก็จบจบถ้าว่ายังไม่จบก็ปรุงอยู่แต่ปรุงเพื่อให้มันจบไม่ปรุงเป็นตัวเป็นตนนะคิดอยู่เหมือนกันคิดเพื่อให้มันจบเดี๋ยวนี้จะจบยังไง หรือจะเอายังไงหาคำตอบหาได้คำตอบแล้วจบไม่เกี่ยวกับใครถ้าจะเกี่ยวข้องก็คือว่าเออให้มันจบอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะจบไม่เอาไปปรุงต่อไม่สร้างปัญหากับใครไม่เกลียดใครไม่ชังใครไม่รักใครไม่หลงใครต่างคนต่างอยู่แต่อยู่ เพื่อให้ชีวิตมันประเสริฐขึ้นในเมื่อชีวิตของตัวเองประเสริฐแล้วก็ต้องหาทางให้ชีวิตคนอื่นประเสริฐ ด, ด้วยกันมันเหมือนเป็นธรรมเหมือนเป็นงานเหมือนเป็นหน้าที่อันหนึ่งเหมือนเป็นภาวะอันหนึ่งที่มันควรจะเป็นก็ไม่ได้ไปคาดไปหวังว่าจะต้องได้นูน่นได้นี่ตอบแทนหวังให้คนดีคนนั้นเด่นไม่ใช่แต่หวังแต่ว่าให้เขาได้ประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ให้มีชีพประเริฐเข้าถึงสิ่งประเสริฐสูงสุดของเขานี่คือหลักประพุทธภมมาจัรย์ตามรอยเบื้องยุคนบาทแห่ององค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครกำลังเจริญสติอยู่ก็แสดงว่าเริ่มก้าวเดินตามทางของเจ้าแล้วและเมื่อมีสติแล้วตามดูจิตของตัวเองเรื่อยไป ตามดูความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอยู่ในขันห้าของเราเพื่อที่จะให้จิตได้รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่ของเราเหรอกอย่าไปหลงอีกต่อไปเลยก็คือให้จิตมันเห็นเคชีว่ากำลังเดินทางเข้าสู่ความเป็นประโสดาบันเริ่มเข้าไปเป็นพระญาบุคคลเบื้องต้นหรือเรียกว่าเสขาบุคลคลเดี๋ยคนเรีเริ่มศึกษาต้องไปเห็ น, นตรงนี้ก่อนนะละพ้อเห็นผิดก่อนนะ ท่านเรียกว่าเสีข่าบุคคลแต่ยังปฏิบัติอยู่ยังไม่ได้เห็นตรงนี้ท่าไม่เรียกว่าเสียข่าบุคคลนะยังไม่เรียกว่าผู้กําลังศึกษานะไม่ใช่ผู้ศึกษานะผู้กําลังหลงอยู่คุยง่ายก็หาทางให้หายหลงดีกว่าหายหลงปั๊บเป็นผู้ศึกษาเพราะฉะนั้นเ่าผู้ศึกษาในความหมายของพระเจ้าคือพระโสดาบันพระสิจิตาคามีพระนาคามีถ้าพ่อหลานก็อาจเสข่าบุคคลเมื่อต้องศึกษาอีกต่อไปจบ ถ้าว่าเราปฏิบัติชาตินี้ถึงไม่พ้นทุกชาติต่อๆไปมันก็พบชาติสัน้นลงเร็วขึ้นเพราะมันเริ่มเห็นแล้วความคิดเนี่ยตอนนั้นอะมันคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นที่ ต, ตอนนีเ้เรื่องนั้นหายไปแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยมันพบชาติดับไปแล้วนะตั้งเยอะแล้วมันดับไปจากใจเราตั้งตั้งเยอะแล้วเนี่ยเห็นมันแค่นี้ส ว, สว่างสวยขึ้นในจิตเยอะแล้วเมื่อก่อนโอ้โย คนไปเวียนมาเดี๋ยวกับเรื่องลูกเดียเด๋ยวเรื่องบานเดี๋ยวเรื่องคนนั้นคนนี้ตุ้งลังอยู่ในจิตมากมายเออเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถายไปแล้วสบายขึ้นดึงเยอะโอ้เป็นหลงอยู่ได้ตั้งนานมันก็ฉลาดขึ้นในจิตเราอะนี่คือเดินทางไปสู่ความเป็นพระเรยซูเจ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเห็นมันเกิดมันดับอย่างนี้ถ้าจะทักใกล้จะตายนะตรงนี้ไม่เสื่อมชาติต่อไปเนี่ย หนึ่งชาติปิดประตูไบยภูมิได้ไปเกิดเป็นนรกเปรตสุลกายสาัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดานรู้สิอานิสง์การปฏิบัติยังไม่ได้เป็นพระรยเจ้าแต่ว่าอานิสงก็ปิดประตูไบยภูมิได้ชาติต่อไปหนึ่งชาติเลยแถมถ้าเป็นมนุษย์ต้องเป็นคนมีสติปัญญาเขาเจริญสติเนี่ยผิวพรรณวันณะผ่องใส่อานิสง์การปฏิบัติธรรม ฐานะก็ดีมีทรัพสมบัติมีลาบมียศสันมียศฐานบรรดาศ์เนี่ยเร็วมีความพร้อมเลยความเป็นอยู่อะไรก็ดีแล้วนีอย น, นิสงมาก้าเป็นเทวดาต้องมีนิทานุภาพมากมีวิมาณใหญ่โตมีบริวารแล้วก็มันก็จดจำแล้วเนี่ยสภาวะธรรม ที่เราปฏิบัตินี้เป็นมนุษย์มันก็อยากปฏิบัติต่อไปเป็นเทวดาก็ปฏิบัติต่อไปบางคนก็บรรลุธรรมสมัยเป็นมันบางคนรู้บรรลุธรรมตอนเป็นเทวดาเจไดเทวดาท่านบอกปฏิบัติธรรมกันน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่หลงความสุขมากาแสดงมันไม่มีเห็นทุกมากมีทุกรูปแบบมันเกิดขึ้นให้เห็นถ้าหาว่าจิตเราน้อมมาเป็นธรรมโอ้โหเบื่อนาย ไม่อยากเกิดดีแต่ถ้าเหตุไม่ถึงก็เอาอีกอะมันยังเวียนไปเวียนมาอยู่ต้องเอาให้มันถึงให้มันสุดวันนี้พูดหลักพ ม, มจันทร์ซึ่งเราก็กำลังประพฤติปฏิบัติตามหลักพ ม, มจันทร์ของพระพุทธเจ้าหรือคืออริยมรรคเมียงแปดหรือคือสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันเลยนะที่นี่สมถวิปัสสนาสติปัญญา มองไปเงียไหนมันมันมันเข้ามาอยู่ในจิตหมดทางสายกลางทางสายเอกทางแห่งความดับทุกข์ศีลสมาธิปัญญา องนั้นบระโกซึ่งเป็นผู้ใกลชากเลสมาสักขทัศกระชรู้โชคดายโดยพระองค์เอง